ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมกรฉันเรื่องรู้การเกิดการตายแบบอริยะโดยพ่อท่านโพทิรักเมื่อวันที่14พฤษภาคม2538ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติตารับฟังได้ณบัดนี วันนี้เป็นวันวิสาข บ, บูชานะก็มีญาติโยมมามากกว่าปกติในวันเสาร์เมื่อวานนี้วันเสาร์ก็มีญาติโยมมามากกว่าปกติพอสมควรอาตมาก็ได้เทศถึงเนื้อหาของวิสาข บ, บูชาไปบ้างถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดอะไ ร, ะไรบ้างก็ไปหาเทศฟังเอานะเนื้อหาที่เด่นเน้นนั้นก็มีตรงที่ว่าวิสาข บ, บูชาเนี่ยมี เรื่องราวหรือแก่นของเรื่องอยู่ในวันวิสาขบูชานี่รู ป, ปรธรรมก็แค่วันประสูตรัสรู้ปรินิพานของพระสมาสัมพุทธเจ้านั่นเป็นสมุติสัจจะเป็นสัจจะความจริงอันหนึ่งเป็นรู ป, ปรธรรมวันเกิดก็มาตรงกับวันขึ้น15คหาคำเดือนหกก่อนพุทธ ถ้าศาสต์พุทธศักราช80ปีนะก็มีวันเพ็ญเดือนหกเกิดเด็กชายสิทธะขึ้นมาพออีก35ปีต่อมาก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้35ปีต่อมาพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้ก็ตรงกับวันเพ็ญเดือนหอีกและอีก45ปีต่อมา พระพุทธเจ้าก็ตายพูดสั้นง่ายๆนะก็ปรินิพานหรือตายร่างกายตายชีวิตตายทุกอย่างดับหมดศูนย์ปรินิพานในวันเพ็ญเดือนหอีกแต่เวลาคนละเวลาเท่านั้นเองนะซึ่งเราก็พอรู้ประวัติมาบ้างนะวันประสูตรนั่นนะท่นประสูตรเวลาเที่ยงวันเพ็ญเดือนห ส่วนตรัสรู้นั้นท่านตรัสรู้ตอนกลางคืนมันเป็นเดินทกส่วนปรินิพานนั้นก็อะเย็นเย็นดึกวัดตรวจมาแล้วอ่าตอนปรินิพานนั้นตอนปัิมยามตอนกลางคืนตอนช่วงท้ายกลางคืนเหมือนกันแต่ว่าตอนปัิมยามส่วนการตรัสรู้นั้นตรัสรู้เป็นถกช่วงอ่า ช่วงต้นยามต้นก็ตัดสรุดโดยบทเพนิวาสานุสติกยานยานกลางก็จตูปปาตยานยานปลายอสวะคขยะยานก็ตอนปฏิมยามนะส่วนการปฏิธินิพานนั้นก็ทั้งคืนตอนาตอนยามยามท้ายยามปลายของกลางคืน นั่นเป็นรูปธรรมเป็นสมมติสัจจะเราก็เห็นว่าเป็นวันสําคัญของปราฏิเอกหรือพระบรมศาสดาองค์หนึ่งของชาวพุทธเราซึ่งเป็นพระบรมมครูใหญ่เป็นสมเด็จพ่อของเราที่เป็นองค์สําคัญที่สุดของเราเราก็แทนเป็นวันนักกัตเร์ิกถือเป็นวันสําคัญที่เราจะทําอะไรให้ดีขึ้นส่วนปรมาตร์สัจจะนั่นก็มีซ้อนอยู่ในวิสาขบูชา เป็นเนื้อหาแก่นแท้ซึ่งไม่ไม่สงนลิขิตอย่างการเกิดอย่างนี้เนี่ยนะเกิดในวันเดียวกันแล้วคุณก็ตรัสรู้วันเดียวกันแล้วคุณก็ตายวันเดียวกันเนี่ยคุณทำเอาได้ไหมนะทำาไม่ได้เลือกเอาก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นเรื่องของวิสัยวิสัยผู้มีบุญบารมีที่จะเป็นไป เราะเราถ้ามีบุญบารมีอย่างนั้นก็คงจะเป็นอย่างนั้นบ้างแต่ทีนี้เราไปทําเอาไม่ได้ง่ายๆแต่สิ่งที่เป็นปรมาตสัจจะที่จะทําได้นี่สินี่มันแปลกนะรูปธรรมกับทําไม่ได้สมมติสัจจะกลับทําไม่ได้แต่ปรมาตสัจจะจะทําได้วันวิสาข บ, บูชาในสมการนี้ปรมาตสัจจะคืออะไรปรมาตสัจจะสัจจะก็คือนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมเกี่ยวข้องนามธรรมเป็นหลัก จิเตเจตสิกรูปนิพพานเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นตัวสําคัญวันวิสาขาบูชามีการเกิดการตายการตรัสรู้เรารู้อยู่แล้วนี่เป็นเนื้อหาอะไรเกิดอะไรตายอะไรตรัสรู้อันนี้แหละต้องให้มีตัวรู้มีปัญญามีสภาพนี้ให้ได้เพราะวันวิสาขาบูชาจะเป็นวันวิสาขาบูชาของพวกเราเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะเป็นวันสําคัญอันนี้มีเกิด ตายหรือว่ามีตรัสรู้อันนี้ได้เหมือนกันตรัสรู้ไม่ใช่ภาษาที่ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นตรัสรู้คือญานโลกุตระยานญานที่มันเกิดจากการรู้แจ้งและมีตัวตรัสรู้มีสภาพตรัสรู้สภาพตรัสรู้ก็คือสภาพของการตายของกิเลสจิตวิญญาณ น, นั้นเกิดอย่างโอปปปาติกายโอนี้เกิดอย่างทางจิตวิญญาณเกิดใหม่จิตเกิดใหม่จริงๆเกิดเป็นโลกุตรจิต เกิดเป็นจิตภูมิใหม่เป็นโลกุตระภูมิเป็นภูมิแห่งโลกุตระที่แท้โลกใหม่หรือภูมิใหม่พบใหม่พบของอาริยะบุคคลที่พรุทธเจ้าท่านค้นพบโลกใหม่โลกนี้เรียกว่าปรโลกของพระพุทธเจ้าเป็นเป็นนี่แหละมันต้องเอาตายไปก่อนตายไปถ้าเป็นเป็นนี่ได้ตายไปก็ได้แต่ถ้าเป็นเป็นนี่ทําเอาไม่ได้ตายไปก็ไม่มีไม่จะไปได้ตอนตายร่างกายนี่นะ เอากิเลสตายเอาเป็นเป็นเนี่เพราะงัการตายที่ว่าเนี่ยเป็นการตายที่ลึกซึ้งตายอย่างเปตานงอย่างนี้เป็นต้นตายตกต่ำนะเปตานงไม่ใช่ตายจิตวิญญาณมันตายจากความดีลงไปหาความชั่วเลยว่าเปรตเพราะงั้นถ้าเรามีปัญญามีภูมิธรรมอ่านจิตวิญญาณของเราออกสามารถที่จะวิเคราะห์วิจัยแล้วก็ รู้แจ้งได้ชัดเจนว่าอ๋จิตวิญญาณอาการอย่างนี้เป็นลักษณะต่ําเป็นลักษณะเสื่อมเป็นลักษณะอบายเป็นลักษณะผีมารชั่วหรือกิเลสตัณหาอุปทานนั่นแหละจับมันได้แล้วทําลายมันฆ่ามันให้ตายมันตายมันมีความตายเห็นความเกิดความตายเห็นความตายตรงนี้ในใจิตใจเรานี่แหละของใครของมัน เห็นความตายนั่นแหละคือเห็นการเกิดการตายเราเคยได้ยินทางธรรมะนี่ผููว่าโอ้ต้องมียานเห็นการเกิดการตายอ่าเห็นการเกิดการตายก็จุดูปปาตยานยานที่เห็นการเกิดการตายเป็นญานวิเศษนะเพราะนพูดที่เห็นการเกิดการตายอย่างจริงๆมีการเกิดการตายจริงเป็นคนเห็นการเกิดการตายไม่ใช่เดามันจะเห็นการเกิดการตายกายสสะเพทาคือร่างกายตายแตก ภาษาบาลีว่ากายยศเพทะร่างกายนี่มันแตกกายยศก็คือกายเพทะก็คือแตกกายแตกตายกายตายมันไม่แตกระเบิดหรอกนะมันตายคือภาษาที่เรียกตายอย่างกายตายร่างกายมันสิ้นลมหายใจแล้วก็ตายมันไม่ใช่กายการตายแบบนี้เท่านั้นตายแบบนั้นใครก็เห็นใครก็เคยเห็นแต่เฉย ไม่ได้รู้สึกสลดอะไรไม่ได้รู้สึกว่าโอ้เราก็เวียนกายเวียนเติดอย่างนี้เท่าไรเท่าไรไม่ค่อยสลดเท่าไรหรือจะสลดก็แล้วแต่มันก็เป็นเพียงสลดมันก็เพียงระเพงเห็นอันนั้นแล้วก็รู้สึกสลดหรือรู้สึกมีน้ำหนักบ้างเห็นว่าเออเราเบื่อหน่ายนะเวียนเกิดเวียนตายมารู้มีรู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนชาติแต่แม้ทังจะรู้สึกสลดอย่างนั้นถ้าไม่ประพฤติโดยเกิดยานที่จะเห็นการเกิดการตายทางปรมตาเห็นการเกิดการตายของกิเลส แล้วจิตวิญญาณเกิดเป็นเทวดาเป็นอุบัติเทพเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาแท้เป็นพระอริยะเป็นจิตพระอริยะขึ้นจริงๆเกิดพระอริยะขึ้นที่เราเพราะเห็นนี่เห็นการตายของกิเลสเห็นการเกิดพระอริยะเห็นจิตวิญญาณนี่เป็นพระอริยะ และความรู้ที่เราว่าตรัสรูนี่มันรู้แจ้งเห็นจริงๆริงๆนะเป็นญาณที่รู้การตายรู้การเกิดเห็นการตายเห็นการเกิดมีความเข้าใจมีความประทับใจมีความเห็นจริงๆไม่ใช่เห็นเล่นๆเห็นของจริงตามความเป็นจริงที่เราได้เราเป็นเรามีจริงๆอันนั้นแหละคือตัวตรัสรู้ญาณที่รู้ อยู่ในเวลาเดียวกันไม่ห่างไม่เหินกันเลยไม่ใช่ว่าไปเกิดตอนเที่ยงอย่างพระเจ้าเกิดประสูติตอนเที่ยงเวลาเที่ยงแล้ววันกัโ น, โ น, โน้นอ่ะ80สปีห่างกันอ่ะตายก็อีก80ดสิบปีเนี่ค่อยตายห่างกันเป็นวันน่ยก็นับวันได้80ดสปีห่างกันเท่าไหร่มันไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เกิดตายตรัสรู้เดียวกันเลยกิเลสตายปุ๊บพระอริยะเกิดปั๊บแล้วเราก็มียานอ่านรู้ เป็นการเกิดทันทีทันใดพร้อมกันอาจจะอาจจะไม่พร้อมก็แล้วแ ต, แต่มันเร็วจกนกระทั่งเรามาพูดด้วยภาษาไม่ได้นะเกิดตายแล้วก็ตรัสรู้เนี่ยอยู่ในนี้จนเราไม่สามารถที่จะแยกเวลาเอาไว้ได้เลยว่าเป็นห่างกันสักกี่ฟิลิปดาห่างกันสักขียแยกไงอะ่ะวินาทีไม่ต้องพูดเลยมันเร็วกว่าวินาทีอีกเ ยิ่งกับฟิลิดดาฟิลิดาไปอะไรอย่างที่วาเนี่ยนะจะวิเคราะห์ให้เป็นเร็วเท่าไหรน่นะสรุปแล้วคุณเข้าใจสภาวะการตายการเกิดนี้แล้วก็ไปทำให้เป็นเราสามารถที่จะมีวิสาขบุญนมีอันนี้ได้เป็นบุญเป็นกุศลของเราได้ในอของพระพุทธเจ้า คุณไม่เอาวันเกิดวันตายอย่างรูปนั้นไม่ได้หรอกแต่อันนี้สิถ้าวันใดไม่ต้องเอาวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหก็ได้คุณทําวิสาขะปันปารมีอันนี้ให้เกิดหรือวิสาขบารมีอันนี้ให้เกิดให้เกิดเกิดวันนี้วิสาขะวันนี้เกิดเวลานี้เกิดวิสาขะเวลานี้นี่คือเนื้อแท้ของปรมิตสัจจ์ ส่วนจะทำอย่างไรเรามาว่ากันต่อวันนี้เอาเรื่องของสิ่งทั่วไปในโลกลานี่นะมันก็มีอุตตุมีพีชะมีจิตมีกรรมมีธรรมะอัตมาหยิบมาพูดตอนหลังนี้มาบ่อยหยิบมาพูดบอเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้รวมแล้วมันแบ่งออกเป็นเท่านี้ อุตุอุตุคืออะไรอุตุนี่ก็คือรวมแล้วเป็นบรรยากาศอยู่ในโลกนี่แหละอุตุนีน่รวมไปหมดทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมทั้งไฟอากาศวิญญาณรวมเป็นอุตุหมดแต่เธอเดี๋ยววิญญาณเนี่ยมันจะไปซ้ากับจิตตัวหนึง่งก็ยังไม่เอาวิญญาณไว้เอาแต่แค่ดินน้ำลมไฟไว้ก็ได้ดินน้ำลมไฟ จริงๆเอาอากาศอีกตัวนึงก็ได้เพราะว่ามันไม่ไม่เป็น อ, อุปตานทิณกะสังขารนะเป็นอนุปาทินณกะสังขารอากา ศ, ค, าากาศคือสังขารไม่มีวิญญาณครองไม่มีจิตอนอก้านเป็นอุตุมันก็เกิดนี่แหละดินจะเย็นดินจะรอ้อนดินก็เป็นไปของดินดินทำงานของดินสังเคราะห์ตัวถ้าคุณเอาอะไรอะไรไปใส่ดิน ดินเขาก็จะสังเคราะห์ตัวมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะสะอาดขึ้นหรือจะเป็นธาตุที่มันควรจะเป็นธาตุดินทรายจะไปเป็นดินทรายธาตุดินเหนียวจะไปเป็นดินเหนียวธาตุดินอะไรก็เป็นธาตุดินอันนั้นไปลักษณะมันจะสังเคราะห์ตัวมันไปมันจะขจัดสิ่งที่ควรขจัดแล้วมันก็จะผนึกสิ่งที่ควรผนึกจนกลายเป็นแร่จนกลายเป็นธาตุจนกลายเป็นหินเป็นดินเป็นลักษณะนั้นลักษณะนี้เนี่ยแมันก็ทําตัวมันเองอยู่ตลอดเวลา มันมาเป็นหินเป็นแท่งเป็นก้อนมันมาเป็นดินมันมาเป็นแร่มันเป็นนุ่มเป็นนี่มันก็ต้องจัดสรรตัวของมันตลอดเวลาจนกระทั่งเป็นกรวดเป็นทรายเป็นเพชรเป็นนินเป็นหินเป็นแก้วเป็นอะไรก็แล้วแต่สารพัดจัดตัวของมันเองอยู่แต่มันใช้เวลากับความสามารถของตัวมันเองไม่ใช่มันไม่ทำนะมันทํามันทํา อันอื่นก็ช่วยมันทำด้วยอันอื่นก็ช่วยมันทำด้วยมันก็ทำตัวมันเองด้วยหลายอย่างใช้เวลานานหลายล้านปีกว่าจะปรับตัวเข้าไปเป็นอย่างนั้นหรือมันปรับตัวมันไม่ได้ที่ไม่ได้ก็เพราะว่าทุกอย่างไปรังควานมันไปทามันไอ้คนนี่แหละไปทำให้ดินมันเสียหายแล้วมันก็เป็นตัวเขาไมเวด้ไปกวนมันหนักหนาดีไม่ดีเอาอะไรไปโปะไปเอาพิษเอาอะไรไปใส่มัน เละไปหมดจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยไอ้ดินเนี่ยมันไม่ได้มันสังเคราะห์ตัวมันพอสมควรเดี๋ยวนี้สังเคราะห์ตัวเองยากดินนะเพราะคนเอาอะไรไปกวนมันเอาอะไรไปทําลายมันดินเสียดินเน่าดินมันเลยแย่ในยะอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศก็คืออุตตุทั้งหลายแหละ ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เกิดอยู่ตามจริงและมันเป็นพิษดินเน่าดินเสียก็เป็นพิษน้ําเน่าน้ําเสียก็เป็นพิษลมเน่าลมเสียเป็นพิษอากาศเน่าอากาศเสียไฟเน่าไฟเสียก็เป็นพิษอ่าเป็นพิษเป็นพิษกับไอ้สิ่งที่อยู่รวมกันนี่แมันเป็นพิษต่อพืชมันเป็นพิษต่อสัตว์มันเป็นพิษต่อคนโดยเฉพาะเราเป็นคนนี่เราก็รับพิษกับมันแล้วใครเป็นคนทํามากที่สุดคน คนนี่แหละตัวร้ายและคนนี่แหละตัวดีดีที่สุดก็เท่าก็อยู่ที่คนแต่ปุตตุชนไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่คนที่ทําบาปได้มากเนี่ยอาไม่ใช่สัตว์โลกที่ทําบาปได้มากนี่คือคนสัตว์เดรัจฉานมันทําบาปไม่ได้มากเท่าคนหรอกต่อให้มันเป็นสัตว์ร้ายขนาดไหนมันก็ไม่ได้ทําบาปมากเท่าคน สัตว์อะไรแล้วว่ามันทำร้ายมันร้ายมากเสืองูเหา่ามันก็ไม่ได้ทําบาปมา ก, กาเหมือนคนคนนี่แหละทำบาปได้มากกว่าทำร้ายเลวได้มากกว่าสัตว์ทั้งหลายแหลแต่ดีดีมากๆก็คนนี่แหละทำได้เพราะฉะันถ้าเผอว่าคนมีปัญญารู้ว่าแม้แต่อุตตุ เกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดสังเคราะห์กันอยู่จนกระทั่งกลายเป็นความร้อนความหนาวความเย็นเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งแท่งก้อนอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้แม้แต่น้ํามันก็แข็งได้นะนเป็นน้ําแข็งได้เหมือนกันอากาศยังเป็นอากาศก้อนได้เลยเคยเห็นไหมล่ะเคยเห็นอากาศเป็นก้อนไหมน้ําแข็งแห้งเขาเรียกน้ำแข็งแห้งอืน้ําแข็งแห้ง เข็มน้ําไอ้น้ำไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ำแข็งแห้งน้ำแข็งแห้งเราเป็นแก๊สเป็นเวลาเขาเอามาทําอะไรเล่นอะไรเนี่ยเป็นน้ําแข็งแห้งอ่ะมันเป็นแก๊สนะน้ำแข็งแห้งเนี่ยไม่ใช่เป็นแก๊สไม่ใช่ไม่ใช่น้ำอ่ะเพราะมันก็ปรับตัวมันมันก็ทําอะไรต่อะไรของมันอยู่อย่างนั้นนะถ้าเรารู้แล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งแท้งก้อนเหลวไหลอะไรมันก็ปนอยู่ในนั้นอุตุทั้งนั้น ทีนี้คนเมื่อเรียนรู้แล้วเสร็จเราก็จะรู้ว่าสภาพที่ดีสภาพที่สะอาดสภาพที่จะเป็นคุณค่าประโยชน์คืออะไรเพราะทุกวันนี้นี่เราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้อยู่เรียนรู้ว่าสภาพดินควรจะดีควรจะมีคุณประโยชน์คุณค่าที่มีค่าของมันขนาดนี้เป็นดินที่ดีน้ำที่ดีคุณค่าขนาดนี้เป็นน้ำที่ดีอากาศอย่างนี้เป็นอากาศที่มีคุณค่าที่ดีอุณหภูมิหรือไฟ ความร้อนความเย็นขนาดนี้เป็นอุณหภูมิที่ดีนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่อากาศช่องว่างอากาศนี่คือช่องว่างขนาดนี้ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราเรียนรู้แล้วก็ช่วยเดี๋ยวนี้เป็นความเดือดร้อนมากเขาเรียกสิ่งแวดล้อมเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเป็นภายเป็นพิษและสิ่งแวดล้อมที่ว่าเนี่ย มันเกี่ยวข้องกันไปหมดรวมสิ่งวแวดล้อมเนี่ยมันรวมนอกจากอุตจารยังรวมพีชะพีชะก็คือชีวิตชีวิตของพืชชีวิตของสัตว์ที่มันมีบทบาทมาระดับหนึ่งมีพลังงานระดับหนึ่งเราเรียกว่าชีวิตพลังงานในระดับดีบอก ว, ว่าแล้วว่าดินน้ำลมไฟมันก็มีพลังงานแล้วมีการสังเคราะห์ตัวมันอยู่เหมือนกันแต่พลังงานของมันเราจับมันยากเราก็มาจับพลังงานในระดับนึงเป็น สัตว์พวกแบคทีเรียจุลชีวะอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งถึงพืชคนสัตว์คนเป็นชีวะนะเป็นชีวะขึ้นมาในระดับหนึ่งเราก็ต้องมาเรียนรู้นะเรียนรู้ว่าสัตว์ใดที่เราจะรับผิดชอบสัตว์ใดเราเป็นคนนี่เราก็รับผิดชอบรับผิดชอบอะไรสําคัญที่สุดรับผิดชอบมากที่สุดก็รับผิดชอบคนนี่แหละมากกว่าเพื่อน เพราะถ้าคนเลวแล้วมันก็ไปเป็นปฏิกิริยาหรือว่าเป็นผลต่อเนื่องทำให้อะไรอะไรเลวไปหมดแต่ถ้าคนดีแล้วมันก็พาให้อะไรอะไรดีขึ้นไปด้วยคนจึงเป็นตัวที่จะต้องรับผิดชอบมากที่สุดใครเกี่ยวข้องคนที่จะเกี่ยวข้องกับใครก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเองเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของถ้าคุณมีลูกคุณก็ต้องเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคุณต้องดูแลเกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบให้มาก ลูกคุณะคุณสร้างขึ้นมาหรือยาวยืดออกไปจากลูกก็มีเครือญาติทางสายโลหิตยิ่งกว่านั้นถ้าเราจะสามารถที่จะเกื้อกูลกันดูแลหรือรับผิดชอบอย่างว่าอาตมาในอาตมารับผิดชอบไม่ใช่เฉพาะลูกในสายเลือดอาตมาตัดปัญหาไปเลยว่าอาตมาไม่มีลูกตามสายเลือดแต่อาตมาก็มีญาติ อัตมาก็มีพวกเราต่างๆนานามาเป็นลูกมาเป็นผู้ที่จะรับผิดชอบแล้วก็ช่วยให้เป็นคนดีให้เป็นคนที่จะรู้อุตตุรู้ผีชะรู้จิตทีนี้สูงขึ้นมาจากชีวะที่เดียวในชีวะระดับจุลชีวะในระดับของพืชมันก็ยังต่ำอยู่ มาถึงจิตวิญญาณจิตวิญญาณนี่ก็เลื่อนขึ้นมาแล้วแม้แต่ในระดับสัตว์เราก็าเรียกจิตวิญญาณอย่างพืชก็ตัดไปว่าไม่ใช่จิตวิญญาณหรือในชีวะชั้นต่าในแบคทีเรียหรือจุลชีพชีวะชั้นต่แล้วก็ถือว่าอันนี้เราเป็นชีวะชั้นต่าเป็นพีชะชั้นต่าแต่ชั้นสูงขึ้นมาเป็นจิตวิญญาณเราก็นับสัตว์ที่อยู่ในฐานะที่สัตว์ที่มันสัตว ขนาดหนึ่งแล้วยังละเอียดขึ้นมาอีกว่าเป็นสัตว์ที่สอนได้กับสอนไม่ได้เป็นเวนนายสัตว์อะเวนนยสัตว์อเวนนยสัตว์สอนไม่ได้ในเดริชานก็ในระดับหนึ่งทีนี้คนก็เป็นที่มีจิตวิญญาณแล้วอีกระดับหนึ่งแม้แต่ในคนก็แบ่งเป็นผู้สอนได้ผู้สอนไม่ได้แล้วก็มาเรียนรู้จิตเหล่านี้กันจริงๆต้องรู้ ในศาสนาพระเจ้าสอนอุตตพีชะจิตเมื่อรู้จิตแล้วจิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวงจิตเป็นประธานรู้กรรมจิตเป็นประธานรู้ธรรมะจำได้นะเนองอุตตสองพีชะสจิตสกรรมห้าธรรมะจิตวิญญาณนี่เป็นประธานสิ่งทั้งปวงรู้อุตตรู้พีชะ และรู้จักกรรมรู้จักธรรมะจิตวิญญาณเนี่ยเพราะนั้นตัวจิตวิญญาณเนี่ยนอกจากจะรู้จักจิตวิญญาณเองแล้วจะต้องรู้ทั้งหมดแล้วจะต้องวิเคราะห์ออกด้วยว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอุตุอย่างไรดีดิน้ำลมไฟอากาศอย่างไรดีภีชะอย่างไรดีไม่ดีกรรมอย่างไรดีไม่ดีเป็นกุศลอกุศล ธรรมะอย่างไรที่ควรทรงไว้ไม่ควรทรงไว้ธรรมะแปลว่าสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งมีเยอะแยะมากมายอะไรอะไรก็เป็นธรรมะหมดอีกแหละรวมกันแล้วะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นสมมุติธรรมก็ตามเป็นปรมาถธรรมก็ตามเราก็ต้องเรียนรู้ศาสนาพระุทธเจ้าปฏิบัติธรรมเอาแต่ปรมาถธรรมไม่เอาสมมติธรรมไม่ได้ต้องเรียนรู้ทั้งสมมติธรรม ปรมัตตธรรมเพราะเมื่อเรามีจิตเราก็มาพยายามศึกษาเข้าไปปรับจิตพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้มีทั้งปัญญารู้แล้วก็ทําให้จิตของเราเป็นเป็นจิตวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์หรือจิตวิญญาณที่จะเจริญพัฒนาขึ้นเป็นโสดาสกิทานาคาอรหันอะไรขึ้นมาตามทิศทางที่พุทธเจ้าท่านสอนเราไวจ้จริงๆให้ได้ เพราะิตที่จเจริญขึ้นจริงก็เป็นจิตที่จะรู้โสดาสกิทาอนาคาการรู้นั้นก็รู้โดยการจเจริญขึ้มารู้สิ่งเหล่านี้และรู้อุตตรู้พีชะรู้กรรมรู้ธรรมะและรู้จิตเองโดยการทำของเราด้วยทำของเราจิตเราเองเอาแต่รู้ด้วยบัญญัติด้วยภาษาด้วยตักกะด้วยเหตุด้วยผลด้วยตาราด้วยพยัญชนะน่ะด้ ความหมายอะไรธรรมดาเนะี่ยมันก็รู้ได้เท่านั้นถ้าไม่ปปฏิบัติประพฤติอบรมฝึกฝนตัวเราให้มันขัดเกลวขัดเกลวกรรมขัดเกลวกรรมนั้นในกรรมนั้นเราก็จะมีปัญญารู้ธรรมะที่เป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมหรือเป็นสมุติธรรมเป็นปรมัถ ธ, ธรรมนิ่วรห้าน่ ธรรมะเนี่ยถ้าแบ่งหมวด น, นิวอ่าแบ่งหมวดธรรมะท่านแบ่งไวง้หลักๆอยู่ในโพธิปักษ์ที่ทำอยู่ในธรรมในธรรมมีธรรมะที่เป็นนิวรณ์หธรรมะที่เป็นอุปทานขันท่าธรรมะที่เป็นอายตนะหกธรรมะที่เป็นโพชฌงเจ็ดธรรมะที่เป็นมักแปดเป็นหลักต่างๆพวกนี้แล้วก็มารู้สภาวะ มารู้สภาวะของนิวรมเป็นยังไงการพยาบาททีนัมิธาอุทจักกุกุจาวิจิกิชาอยู่ไหนเนบไวติคืออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ในจิตปลอมตัวเป็นจิตแทรกอยู่กับจิตมากับจิตไปกับจิตโอ้แต่ที่จริงมันเป็นแขกเป็นอานการตุเก เป็นแขกมันไม่ใช่ตัวเราไ ม, ไม่ใช่ตัวจริงมันเป็นแขกมันเป็นคนนอกมันเป็นตัวนอกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวจริงจิตวิญญาณของเราก็คือของเรานอย่าเพิ่งไปเอาภาษาเราก็ไม่ใช่เรามาอีกละประเดี๋ยวกระพูดก็ไม่มีจังหวะนะเพราะต้องรู้จากระดับเป็นขั้นตอนเพราะก่อนนั้นเราต้องรู้แขกอาการตุกะเนี่ยวิเคราะห์ให้ออกได้ เพราะงั้นเราวิเคราะห์นี่วอนเป็น น, นี่ผู้ใดมีพื้นฐานแล้วเนี่อัตมาสอนมาแนะนำมาเนี่ฟังก็คงจะเข้าใจง่ายผู้ใดไม่มีพื้นฐานก็ตั้งใจฟังดีๆบ้างเราวิเคราะห์เอานิ่วอน5ออกได้เอออย่างนี้คือการ ม, มีความแตกต่างกันนี่คือพยาบาทอาการของพยาบาทอย่างนี้อาการของการอย่างนี้ทัานเรียกว่ามีลิงคะต้องรู้รูปนามก็มั น, ม, น, ม, นมันต่างกันนะ อาการอย่างนี้อาการอย่างนี้นิมิตเครื่องหมายอย่างนี้เครื่องหมายอาตมา ท, ทํามือทำไมดูแล้วมันไม่บิดเป็นจังงี้หรอกมันอยู่ในตัวเรานี่แหละมันก็มีอาการโอ้ตอนนี้เป็นกามเป็นราคะมันเป็นอย่างเนี้อันนี้มันเป็นพยาบาทเป็นอย่างเนี้ยมันต่างกันนะมันมีลิงคะมีอาการต่างกันเราอ่านออกมียานรู้ชัดเจนแม่นไม่สงสัยไม่วิจิกิจฉาไม่คลางแคลงชัดชัดรู้รรรให้มันแม่นรู้ให้ชัดรู้ให้อย่าง ไม่ต้องคลางแทงสงสัยฆ่าไม่ผิดตัวระวังอย่าไปฆ่าเอาจิตจิตนะ่ยมันเป็นธาตุสะอาดธาตุรู้เป็นดับจิตเข้าซะอีกอยุ่งกันใหญ่จิตยิ่งไม่เคยมีกําลังอยู่เลยไปฆ่าจิตเข้าไปอีกก็ยิ่งตายกันพอดีฆ่าให้แม่นฆ่าให้ถูกตัวไม่วิจิกิจฉาไม่สงสัยวิเคราะห์ให้เป็นมีธรรมวิจัยสำโพดชงชัดๆอย่างไรเรียกว่าอุปทานขันธ์ห อุปทานเขายึดไว้ช่วยไว้อยู่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกแม้ที่สุดขันห้ามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็วิเคราะห์ซ้อนลงไปเวทนาจริงๆอย่างไรต่างกับสัญญาอย่างไรต่างกับสังขารอย่างไรต่างกับวิญญาณอย่างไรต่างกับรูปรูปคือสิ่งที่ถูกรู้แม้จะเป็นนามธรรมาแล้วแค่รูปธรรมก็อย่างหนึ่งนามธรรมา ท, ที่ในจิตใจเนี่ยรูปประจิตอรูปประจิตก็ อ, อ่านให้ชัดเวทนาอย่างนี้นะรูปคือสิ่งที่ถูกรู้ มีอาตมาแปลป ร, ริยนก้าเขาก็ว่าแต่อาตมาอยูะนั่นแหละหมายถึงป ร, ริยนก้าก็ว่าป ร, ริยนสองป ร, ริยนสามยังว่าเลยเพราะอาตมาไม่ได้สักป ร, ริยนเดียวนะเพราะเราจะวิเคราะห์วิจัย อ, อมอนเลยว่าแม้ที่เป็นเจตสิกเป็นจิตเจตสิกในระดับ ที่ถูกรู้ได้ว่าเป็นเวทนาอาการอย่างนี้เป็นสัญญ า, า, ญญาลักษณะอย่างนี้สังขารลักษณะอย่างนี้และยังซอยลึกลงไปอีกเวทนาในเวทนาสังขารในสังขารสังขาร น, นอกสังขารในหรือสัญญาต่างๆโ อ, อ้กมากมายสัญญาก็คือการกำหนดหรือการยึดจำไว้ผูกยึดไว้อุปทานขันห้าอุปทานก็ยึดไว้ช่วยไว้ จริงๆแล้วละเอียดขนาดไหนแม้จะบริสุทธิ์เวทนาบริสุทธิ์แล้วสัญญาบริสุทธิ์แล้วสังขารบริสุทธิ์แล้ววิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ไม่อุปท า, านไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานี่อาตมาอธิบายรัดๆนะสรุปก็หาตัวจบไม่เช่นนั้นก็ไปไ ป, ไปถึงไหนแล้วก็เดี้ยวหมดเวลาเราจะเรียนรู้อุปท า, านขันห้าจริงๆก่อนอื่นจะเรียนรู้อุปท า, านขันห้าก็เรียนรู้นิวรณ์หกันซะก่อน แล้วค่อยไปมันยังยึดอะไรอยู่ยึดมากยึดไม้ขนาดไหนไอ้ไมๆก็รู้ว่ายึดไอ้กิเลสจับหยาบยึดอารมณ์กามเป็นกามารมณ์ยึดพยาบาทอารมณ์แค่พยาบาทแค่โกรธแค่โทสะและเราไม่รู้ตัวเราง่ายๆนะว่าเรายึดเอามันไว้ยังห่วงแหนมันไว้อารมณ์นี้มันมันดีพวกสาดีสินิชอบอารมณ์โทสะรุนแรงมันมันดี อ่าทำไมมันเนื้อไม่เอาละเพราะฉะนั้นเราจะละจริงๆแล้วอารมณ์ของโทสะหรือโทสะโมลหรือพยาบาทเนี่ยมันชัดเจนว่ามันเป็นความรุ่มร้อนมันเป็นความทุกข์ที่ชัดมันละโทสะละพยาบาทนี่ก่อนดีนะครับก่อนอื่นคุณพิสูจน์เลยท้าทายคุณพิสูจน์ด้วยแต่คุณละพยาบาทละความโกรธออกจากจิตใจเนี่ยแม้ชั่วคราวก็ตาม คุณกำลังโกรธนี่นะถ้าคุณลอได้เดี๋ยวนี้ช่วคราวเดี๋ยวนี้แลคุณตรวจสอบเลยว่าโอ้มันหายรอนมันเบาว่าง่ายกันถ้าไม่ถูกมาตัดคอจะมาได้ไปพิสูจน์เลยท้าทายที่สน์อาการการมันก็ร้อนแต่มันร้อนประเภทที่คุณไม่เคยรู้ตัวเพราะมันดูดดึงเข้าไปเป็นเราเป็นของเราจัดเกินไปส่วนพยาบาลนะ่ยมันผลัก เพราะฉะนั้นมันก็ห่างมันออกนอกตัวมันก็รู้ชัดมันมีปฏิกิริยาที่เห็นชัดส่วนอันี้มันดูดดึงก็ไปหาในในในในในของเราเองเราเลยกลายเป็นตัวเราของเรากรรมมรดราค้มันรู้ยากกว่ามันมันมันมันมันก็ค่อยๆเป็นลําดับไปแต่โอ้โหมันไม่นิ่งเลยหน้าเรามันรนรานมันร้อนมันร้อนเร่ามันยุ่งทุกเอาหยาบๆมาพูดก็พอเข้าใจได้ทีนี้พอเวลามันน้อยหน่อย คุณก็นึกว่ามันเป็นคุณค่ามันดีดีไม่ดีก็เสพสมสุขสมกับผนึกนั่นเองเสพสมสุขสมกับผนึกผนึกมันก็ยิ่งจะมีสะสมเข้าไปเรื่อยๆพอกกองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็หลงหลอกกันถูกหลอกมาว่าถ้าได้เสพสมสุขสมในอารมณ์กามแล้วมันเป็นเรื่องอร่อยเป็นอัศทะถูกหลอมานานแล้วหลายคนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ค่อยเชื่อ ถึงเชื่กระชงทำลำลืมไปชั่วคราวได้เสพก่อน <laughs> เสพเมื่อไรก็สะสมเมื่อ น, นั้นถึงเรียกว่าปุถุหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆ เ, เสพสมเพราะฉะนั้นต้องหยุดแล้วล้าง <laughs> นี่หยุดก็ยังไม่หยุดยังสมเสพสมกันไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่มันได้ล้างอ่ะอ่นั่นก็ไม่ได้ล้างสักทีเนีย่ยแต่มาพูดภาษาไทยง่ายๆนะอธิบายฟังเหมือนกับฉายหนังสโลโมชั่น ยิบเป็นก้อนๆแข็งๆให้ฟังตาไม่ดีนะฟังภาษาที่อาตมาสื่อให้ฟังง่ายๆเพราะเราเรียนรู้ธรรมะพวกนี้เนี่ยและธรรมะพวกนี้มันประกอบมาเกี่ยวเนื่องถึงกรรมจะเป็นนิวรห้จะเป็นอุปทานขันห้าก็ดี อ, อายตนะหคือตาหูจมูกดิ้นกายใจภายนอกเรียกว่าวาวทวานรหกปากจมูกดิ้นกายใจลื้นลิ้น ส่วนอายตนาก็ถือว่ามันต่อเนื่องกันตาก็มีรูปหูก็มีเสียงจมูกก็มีกลิ่นลิ้นก็มีรสกายก็มีผลตพารมในใจเรียกว่าธรมารมมันก็มีสภาพต่อเนื่องกันอายตนาหกก็คือต่อเนื่องอยู่กระทวานนี่แหละมีตามีรูปถ้บรรดาทำงานเต็มที่ก็มีรูปเกิดไปเสียงทำงานเต็มที่ก็มีรูปเกิดไป เกิดมาเกิดให้เห็นนั่นแหละเพราะเราอ่านสภาพที่เกิดที่เป็นพวกนี้นะถ้าเราเห็นรูปก็คือรูปถ้าเราได้ยินเสียงก็คือเสียงแต่ซ้อนลงไปในนั้นมันมีอุปทานมันมีการยึดผิดยึดถูกมันมีการเอากิเลสกามกิเลสพยาบาทกิเลสอะไรมาผสมอยู่ในนั้นผนะสมอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นเราก็ระมัดระวังที่จะระมัดระวังนี่คือทวารหกหรืออายตนะหก กับกรรมสามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าใครอ่านคนคืออะไรมามาเขากรรมชับกรรมชาไว้แล้วกรรมสมเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมันไปก่อบาปก่อบุญอะไรก็อยู่ที่นี่แหละข้อสําคัญเราก็ต้องรู้บาปซะก่อนกายกรรมบาปคือยังไงวจีกรรมไปก่อบาปคือยังไงต่อเนื่องไปยังไงยังไงอ่านรู้ว่าจิตเป็นประธานนี่แหละก่อให้เกิดไป พระตาจิตมันเป็นอาการของกิเลสมันก็ไปก่อออกนะกรรมก่อออกส่วนอยนายตนะหกก็รับเข้าตารูปรับเข้ามาเลยเป็นกิเลสรูปน่ามาแหมรูปสวยางามพริ้งอะไรแล้วแต่รับเสียงเข้า่ารับเข้าไปแล้วรับกิเลสเข้าพนึกเข้าไป รับรสอร่อยรับกลิ่นชื่นอกชื่นใจสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งโนนวลเนียนอะไรก็แล้วแต่เอาแหละสัมผัสเสียดสยงงีอย่างง่นอย่างนี้หรือปั้นเองเลยได้ใจธรรมารมไม่ต้องเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายเราปั้นมันเองเมื่อมันได้อร่อยดีแล้วแต่พบชาติบ่าบา บ, า บ, าบวมบวมไปในนาน า, นาสารพัด อ, อะไรก็ได้ปั้นไปเถอะทั้งที่เป็นได้และเป็นไม่ได้ถึงขนาดปั้นเป็นไม่ได้ก็ยังเอา เป็นวิมานเพอเพอพกพกอะไรก็ตามใจเราก็มาดูเราเองว่าเราเองรับแล้วเกินสะสมแล้วเกินไตรกรรมกรรมข้างนอกเนี่ยมันเป็นจะเป็นพิษเป็นภัยต่อคนอื่นเขามากนะเพราะเราไม่ทํากายกรรมที่จะเป็นบาปหรือเป็นพิษเป็นภยัยหรือจะก่อให้เกิดกิเลสกรรมในเราทํากรรมเองเนี่ยเราเกิดกิเลสเอง เพรา ะ, ะเราก็ทำจนกระทั่งเรารู้ว่ากิเลสคืออะไรจนกระทั่งเราทํากรรมโดยไม่เป็นกิเลสกรรมเดียวกันแต่ไม่เป็นกิเลสกายกรรมอย่างนี้แต่ไม่มีกิเลสกายกรรมดูเหมือนจะไปทํำลายเขาแต่กายกรรมมันดูได้ง่ายดูได้ชัดเพราะมันเป็นรูปจับบางทีตี ตีเหมือนกับไปทํำลายเขาแต่ไม่ใช่เรากรายกรรมนี้ไม่ใช่บาปไปกายกรรมที่เป็นบุญนี่เป็นต้นตีแต่ไม่เอาเราถึงขั้นขา่าขันแกงนี่ไม่ทําอยู่แล้วปานาติบาตยากที่สุดก็ขันขา่าแกงไม่เอาหรือกายกรรมเหมือนเหมือนเป็นลักขมโมยเหมือนไปเอาของเขาแต่ไม่ได้เอาหรอกไม่ได้มีกิเลสเหมือนโลคกายกรรมเหมือนโลคแต่ไม่ใช่โลค ทุกวันนี้แต่ใครไม่รู้เรื่องเนี่ยมาโผล่มาเห็นธรตมานี่ตอนเนี้โอ้โท่านมีศีลนะว่าเป็นพระจะต้องไม่รับเงินไม่รับทองโอ้โหรับทั้งเงินรับทั้งทองอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะเหมือนโลภกายกรรม โ, โหเห็นเลยนี่ทองลึกลงมาเลยนี่รับในรูปนี่ธ น, นบัตรเออเข่ากระเป๋าสนน้นี่มันเหมือนกับโลภแต่ไม่ได้โลภเนี่ยมันเหมือนกับคําแก้ตัว นี่มันก็มีสัจจะความจริงเราจงรู้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสะอาดบริสุทธิ์ที่จิตถึงญาณถ้ามันมีกิเลสของเราเรอดผิดชอบเราเองแล้วเราจัดการใครไม่จัดการก็ของผู้นั้นแหละใครไม่รู้ตัวก็ของผู้นั้นแหละรู้ตัวแล้วไม่จัดการก็ของผู้นั้นแหะถ้ารู้ตัวแล้วจัดการให้ดีและทําได้เลยก็ここผู้นั้นก็บรรลุไปเองใครโกหกก็โกหกก็ช้าก็นานก็บาปก็จมอยู่ไปเรื่อยๆจม แต่ถ้าใครจะให้มันสะอาดไปเรื่อยๆมันก็จริงเพราะฉะนั้นความจริงคือความจริงใครว่าความจริงคือความไม่จริงมั่งอ่ะมีไหมเถียงไหมต้องให้จริงให้ชัดความจริงคือความจริงอย่าโกหกตัวเองอย่าไปเด็โกหกหลอกลวงคนอื่นโดยเฉพาะโกหกตัวเองเนี่ยโอโ้โหหนักหนาสา ก, กันแต่ถึงอย่างนั้นก็นตามไปโกหกตัวคนอื่นก็ไม่ควรหรอกแต่บางทีมันมีบางไม่ใช่โกหกทีเดียวหรอกเลี่ยง ถ้านก็บอกไม่โกหกอะไรหรอกเพื่อคนอื่นเขาตัวเองไม่ได้มีอะไรเราตัวเองไม่ได้อยากได้อินนอลนี่อยากได้อีนึงอะไรก็ไม่ใช่ไปโกหกเขาเพื่อให้เขารักโกหกเพื่อเขาจะเอาวัตถุมาให้อะไรก็ไม่มีของตัวเองหรอกเพื่อประโยชน์ของเขาจะได้เป็นอยู่สุขหรือเขาจะเจริญขึ้นบางทีมันเหมือนโกหกบางทีมันเหมือนเลี่ยมบางที่มันเหมือนอะไรก็ได้ สิ่งเหล่านี้ความซับซ้อนมันมีความลึกซึ้งที่เราจะต้องมียานปัญญารู้ว่าเราทําอันนี้เนี่ยเราโป๊ะปดมดเท็ดหลอกลวงโกหกและเล็มเรียบเคียงหลอกแหละอะไรก็แล้วแต่ต้องเข้าใจคุณธรรมพวกนี้จริงๆแล้วเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางกุศลในทางดีต้องมียานปัญญาตัดสินได้ว่านี่คือดีนี่คือกุศลธรรมนี่คือชั่วนี่คืออักกุศลธรรม พระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่รู้กี่สูตรตอกี่สูตรอย่างอาวิชชาสูตรเนี่ยทุจริตสามเป็นอาหารของอะไรนึกไม่ออกแล้วทุจริตสามเป็นอาหารของนิวรหะแมทบทวนกันอยู่บ่อยไปอวิชชาสูตรนี่มันน่าจะจําขึ้นใจได้เพราะก ร, รมกายกรรมทุจริต วจีกรรมทุจริตเมื่อใดเมื่อนั้นก็สะสมลงเป็นปุถุเป็นกิเลสซ้อนกิเลสซ้ำนิวรนั่นแหละมาจากนิวรนมาจากการมพยาบาททีนมิท h อุทจักกุขุจวิจิกิจฉาห้าตัวนี้แหละนิวรนหเป็นอาหารวัจีก็เหมือนก ร, รันเหมือนกันเพราะถ้าวัจีใดกายกรรมใดที่คุณทําออกไปคุณคุมจิตได้ พจิตเราทํากายกรรมอย่างนี้ไม่มีนิวรณ์ไม่มีกามไม่มีพยาบาทของตนเองจริงๆไม่มีถีนมิทะตื่นเต็มไม่มีความสลึมสลือไม่มีความสติตกสติเต็มไม่ฟุ้งไม่ซ่านไม่กระดอนกระเด็นอะไรไม่อุทจจะอะไรชัดเจนไม่มีวิจิกิจฉามีปัญญาคมพร้อมโยนิโสทองแท้แยบคายละเอียดละอ่เห็นให้ชัด อ่านจิตวิญญาณเราให้ชัดอย่างนั้นเมื่อจิตของเราไม่มีนิวรณ์หเราจะทํากายกรรมบางทีมันก็ดูเหมือนมันเหมือนทุจริตแต่ไม่ทุจริตรธรรมจีกรรมดูเหมือนทุจริตแต่ไม่ทุจริตเพราะเรามีญาณและมีวสัสีมีอํานาจแคล่วคร่องมีอํานาจเก่งจนสามารถไม่ให้ กิเลสเกิดไปเป็นตัวเหตุปัจจัยทําให้เกิดกายกรรมอย่างนี้ทําให้ปฏิกรรมเป็นอย่างนี้เป็นทุจริตหรือเป็นอกุศลไปนี่มาซับซ้อนลึกซึ้งอย่างนี้พรอนควบคุมกายและต่อจากกายควบคุมอะไรเป็นอาหารของทุจริตสาม ไม่สำรวมอินทรีย์หกไม่สำรวมอินทรีย์หปล่อยปลละเลยยะถาสุขังนะยะาสุขังโคเมวิหรโตนะปล่อยตัวตามสบายมันอยากกินก็กินมันอยากนอนก็นอนมันอยากสัมผัสเสียดสีอะไรที่เป็นสุขนึกว่าอร่อยมันทามันไปตามสบายเซนะ็นะเ็จนะ เสร็จนรกจำนวนต้งๆเราเสร็จอีดงังเสร็จอีดงังไม่ควบคุมอินทรีหกเมื่อกี้ก็กล่าวแล้วเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่ามันก็มีอายตนะหกหรืออินทรีหกทำให้สับสนทวารหกหรืออายตนะหกอินทรีหกก็เหมือนกันน่ะอินทรีนี่แปลว่าอํานาจอํานาจในการควบคุมทวารและอายตนะ อินทรีย์เนี่ยหรือจะแปลว่ารวมๆนั่นแปลไปเลยว่าเหมือนทวารก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คืออินทรีย์หเหมือนทวารนตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็รูปอยู่ในนั้นอ่ารวบลดกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นนะสรุปแล้วก็ควบคุมทวารควบคุมอายตนะของตาหูจมูกลิ้นกายใจควบคุมมันสัมพันธ์กันกับกรรม เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ควบคุมเลยมันจะเข้ามามันก็มามีฤทธิ์ในตัวเรากิเลสในตัวเราสะสมกิเลสตัวเร า, เรามันแรงโยกยับมันก็ออกไปเป็นกายกรรมออกไปเป็นวัชิกรรมเป็นมนโนกรรมาบางทีเงี้ยนะนผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องจีบกันด้วยปากาไม่ต้องแสดงออกทางกายกรรม ออกแสดงออกทางจิตได้เลยนะบอกว่าโอ้โหซึ้งกันเหลือเกินนะวจีบกันด้วยจิตต่อจิตนะ <c oughs> หรือยิ่งมาพูดไปกับนั่นเลยภาษาไม่ใช่ภาษาจีบกันเลยนะเป็นภาษาอะไรก็ได้เมือนก็คุยกันทางธรรมะซะด้วยนะแต่ที่ไหนได้ใส่กิเลสกับไปกับภาษาจิตนะจิตปั้นกิเลสใส่ไปกับภาษา โอ้โหสื่อถึงกันรู้กันพูดกันเข้าใจกันอยู่สองคนเป็นโคตรลึกๆใครเคยทำมัง่งต่อหน้า ต, ต่อตาคนอื่นนะคนอื่นไม่รู้ไม่รู้เท่าทันนะแต่สองคนรู้กันรู้กั น, กนมันมีได้เป็นได้ถึงขนาดนี้ล่ละคนเรามันเก่งถึงขนาดนี้อ่ามันเก่งถึงขนาดนี้จริงจร เ, เป็นไปได้นะ เมื่อเรามาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้จริงเรียนกรรมเรียนธรรมะเรียนจิตเรียนพีชะเรียนอุตตุสรุปแล้วทั้งหมดมีอยู่เท่านี้ไมีอยู่เท่านี้ทั้งหมดอุตตุพีชะจิตกรรมธรรมะและเรียนรู้สภาวะที่จริงให้ได้ด้วยอย่งอาตมาอธิบายไปนี่แค่คร่าว อธิบายไม่ได้มากไต่หมายไรล็อกมันยังมีละเอียดละออซับซ้อนอะไรอีกเยอะถ้าจะแจกวิเคราะห์จิตเจตสิกไปถึงโอโหเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยากจะแจกเวทนาไปถึงร8อยแเด็มื่อยก็อยู่ตรงนี้อะเยอะแยะสัญญาตั้งแต่แหมสัญญาอะไรแต่สัญญาอะไรต่ อ, ญญ อ, รอีกเยอะแยะสัญญากําหนดลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อนิจจสัญญาอนัตตสัญญา อะไรย็สัญญากามสัญญาอะไรก็สัญญากํหาหนดอย่างนี้เรียกกามนอย่างนี้เรียกอนัตตะอย่างนี้เรียกว่าอนัตต์อนัตตาอย่างนี้สัญญาอย่างนี้เรียกว่าอนิจจังอย่างนี้เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะสัญญาอย่างนี้เรียกว่าอกินจัญญาัญจายตนะสัญญานี่เรียกว่านิวสัญญานันยตนะสัญญาเมื่อยมากมายเพราะถ้าเรารู้เป็นลําดับมีพื้นฐาน อาตมาแนะนําขึ้นไปตามลําดับตามลําดับเอาภาษาเหล่านี้ที่ท่านตั้งไว้แล้วนี่แหละมาเรียนรู้มากก็เอามาเรียนมากไม่รู้ก็อธิบายไปโดยภาษาเรานี่แหละเรารู้สภาว่าก็เอาภาษาเราเรานี่ใส่เข้าไปอธิบายได้ท่านตั้งไว้ก็ดียิ่งอธิบายเข้าใจภาษาที่ท่าน ต, ตั้งไว้เอามาสือ่อด้วยกันได้ก็ยิ่งดีแต่มันยังทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรารู้ภาษาไทยก็อธิบายมันลักษณะภาษาไทยเนี่ยอ้ อ, อ, อมๆแอบแอบไปเรื่อยๆอ่า สมมติว่าเราจะอธิบายช้างเราไม่รู้ว่าหางช้างมันเป็นอะไรเราก็อธิบายมันไปเรื่อยเมันเหมือนไม่กวาดนะมันมันดำๆแลมันมีขนๆมันมีไปฝอยมันยังไงพูดเป็นภาษาไปแต่จริงๆเขาเรียกหางแล้วก็เรียกหางไม่ถูกสักทีเพราะไม่มีภาษาเทคนิคว่าเรียกหางแล้วก็อธิบายมันไปกลมๆเดี๋ยกวก็รู้เองว่าอ๋อลักษณะอย่างนี้เองเอะเนาะไอเนี่ยถ้าคุณรู้จากภาษาเทคนิคชื่อว่าหางคุณก็บอกอ๋อนี่ยก็เรียกว่าหาง แต่เราไม่รู้ภาษานี้ก็ไม่เป็นไรอธิบายไดอ้อย่างนี้เขาเรียกว่างวงอย่างนี้เขาเรียกว่าหูอะไรเงี้ยอธิบายไปเถอะเออมันใช้สําหรับฟังเสียงนะมันแต่มันไปอยู่ข้างนอกนะบางๆอะไรบ่าไปเลี้ยวก็รู้ว่าเอ อ, อหมายถึงหูอะไรอเงี้ยอธิบายได้ใช้ภาษาได้ไ ม, ไม่ไม่มีภาษาจำเพาะเรียกโดยตรงเป็นภาษาเปิดเป็นชื่อชัดเฉพาะเราก็ยังสามารถพูดได้คอยมีสภาวะให้รู้สิ่ง น, นั้นจริงเถอะ ให้รู้สิ่งนั้นจริงเถอะพูดสู่กันฟังได้ดีไม่ดีเอาภาษาอะไรมาแปลไปทะเลาเถลิดอะไรก็ได้แต่ขอให้มันเข้าเนื้อให้มันเข้าแก่นสารก็แล้วกันได้แต่คนถือสาก็ถือกันไปใหญ่ยึดติดภาษาเอาแต่ภาษ า, า, า, ษาผิดภาษาก็ไม่เอาก็แล้วแต่เขาเพราะงั้นคนที่ได้แค่ภาษาก็จะยึดไว้แค่ภาษาถกเถียงกันเอาชนะค า, านก่อนแค่ภาษา ส่วนคนมีสภาวะก็เอ า, ภาสภาวะเป็นหลักทกเทียงกันตรงสภาวะภาษาจะผิดไปบ้างเพี้ยนไปบ้างอะไรบ้างก็ไม่ถือสาเราก็เข้าใจให้ได้จริงๆมันก็อยู่ที่เนื้อหาของสภาวะเนื้อหาของของแท้ภาษาได้เป็นสิ่งแทนเท่านั้นแต่มันก็มีประโยชน์คุณค่าไม่น้อยภาษาก็ตามนั้นบางคนไม่ได้เรียนภาษา ทางวิชาการไม่ได้เรียนภาษาธรรมะอะไรมาหรือภาษาโลกโลกเขามีเยอะแยะก็ไม่เป็นไรภาษาทางเทคนิคทางโลกโลกเขาอยคนในระดับความรู้ในระดับสูงๆเขาก็เอาภาษามันก็เถอะคนชั้นสูงๆก็พูดหมภาษาบางทีนี่ฟังแล้วยังไม่เคยรู้เรื่องเลยภาษานักวิชาการเยอะอาตมาก็ยังไม่รู้เท่าเขาเขาใช้ภาษาบางทีนีพวกเราก็เถอะ เราอ่านดูก็ไม่ใช่ภาษาธรรมะหรอกแต่ภาษาทางวิชาการอะไรเงี้เ อ, อาอะไรมาใส่กันไม่รู้ในสังคมโอ้โหคํานั้นคนํานี้คำ ไ, ไมไม่มีในพจนานุกรมก็มีพ่อมาตั้งกันทีหลังก็เยอะนะขณะในพจนานุกรมยังไม่มีก็เยอะนะสรุปแล้วก็เรามาเรียนรู้ธรรมะโดยเฉพาะพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ย เรามาเรียนรู้ทุกอย่างเลยมันศาสนาพุทธจึงไม่ใช่ศาสนาตื้นๆแ k บเล็กๆจริงจิตเป็นหลักจิตเป็นหลักนจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าให้หลับหูหลับตาอ่านแต่แค่จิตข้างนอกจะเป็นยังไงวัตถุเป็นยังไงพีชาเป็นยังไงอุตตูเป็นยังไงเขามีอะไรธรรมะสมมติธรรมเป็นยังไงไม่รู้เรื่อง กรรมกิริยาเป็นยังไงก็เอาแต่นิ่งหลุกเดียวเอาแต่นั่งยืนเดินนอนจนปุ๊กอยูนน่นั่นะไม่ต้องออกเป็นนอกบริเวณอะไรมากมายมันแคบมันไม่หมดง่ายๆหรอกกิเลสนะไม่หมดง่ายๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงได้สอนให้ตามฐานะนี่ท่านก็กำหนดตายตัวไม่ได้ ท่านบอกว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของศาสน า, ศาเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของธรรมวินัยนี้พรหมจรรย์ก็นั่นแหละมิตรดีสหายดีก็มีเยอะแยะมิตรดีเนี่ยถ้าเผืว่าจะว่าไปแล้วมีทั้งปุตุชนกัลยาณชนแต่มิตรเราได้ โดยเฉพาะโซดาสกิทาอนาคาอารหันต์ก็ไม่ต้องไปห่วงเลยเราก็ต้องแน่นอนแล้วเป็นมิตรดีแน่และก็ควรจะต้องมีพระอริยอรหันต์อนาคาสกิทาโสดาเนี่เป็นมิตรที่เป็นหลักให้แก่เราเพราะเวลาอยู่รวมๆกันเนี่ยมีทั้งผู้ที่เป็นปุตุชนมีทั้งภระระยาในชนอะไรต่างๆนานาเขาก็จะมี ความเป็นตัวของเขาตามภูมิของเขาว่าการจะอยู่กันสามคีเราก็ต้องรู้กันนี่แหละท่านเรียกว่ามีการรู้ผู้อื่นมีเจโตปริยาญาณสามารถรู้ปรสตรานังปรบุคลานังรู้คนอื่นสัตว์อื่นบุคคลอื่นได้รู้ได้จริงๆเพราะว่าเราเองเข้าใจอุตตภีชะจิตกรรมธรรมะ เราเข้าใจพวกนี้เราจะรู้อย่าว่าจะรู้ผู้อื่นอลไรรู้ดินก็ยังรู้น้ําก็รู้ไฟก็รู้ลมอากาศอะไรก็รู้ไปอย่างที่ว่านี่จะรู้เพราะนั้ศาสนาพระเจ้านี่รู้มากมายรู้อะไรเรโลกวิโล ก, กวิถูพระหูสูตรแต่ในขั้นแรกๆที่เขาสอนกันเบื้องต้นว่าเราเองเราจะต้องไปตัดหรือว่าจะต้องจัดการพรากไม้ที่ชุมด้วยยางออมาจากนาก้ำสักก่อน แล้วก็หนีจากโลกบุคคลที่มันวุ่นวายจุ่นจานจนกระทั่งมันมีริดดึงดูดแล้วคุณก็ตกอยู่ในภาวะอำนาจเหล่านั้นดึงไปไม่มีริมีแรงสาหรับตัวเองเลยนะตัวเองนี่จะออกมาล้างมัละอะไรไม่ได้ตัวเราก็เหมือนไม้ที่ชุ่มด้วยยางยังชุ่มยังสดอยู่เลยแล้วยังเอาไปแช่น้าอีกแล้วจะทำให้ไม้นี่แห้งนี่โอ้อยาก เพราะเราเอาไม้ที่ชุ่มเน้อยานี่ออกมาจากน้ำก่อนเอาออกมาจากโลกีจัดจ้านก่อนนี่ระดับแรกรเพราะฉะนั้นเราจะต้องควรรู้รูปฏิรูประเทสวาศ ส, สถานที่ที่ควรอยู่อย่างของพวกเรานี่เป็นสถานที่ที่ควรอยู่ไม่ใช่ไวไมมีปุตุชนมีปุุชนแต่เขาไม่จัดจ้านเท่าไรหรอกแต่ก็จะมีระบางคนจัดในมุมหนึ่งแง่หนึ่งอะไรต่ใดในบ้างอ่าเราก็จะดู คนไหนที่ไม่ได้คุณภาพเลยมันจัดทุกอย่างออกไปก่อนอข้างนอกนะไปรับวิบากอยู่ข้างนอกสู้กันอยู่ข้างนอกอย่ามาวุ่นวายทางนี้เลยไปเด็กก็มาเละเละแทๆอยู่ในนี่มามาแพร่เดชผีอยู่ตรงนี้อย่ายุ่งเนี่ยเราก็จะทินทเรียกว่าสปาย ะ, ะเพราะฉะนั้นจึงจะมีบุคคลนี่ก็เป็นบุคคลที่เราจัดไว้ให้พอเหมาะสปายะจะพากันเจริญไอ้ที่มันฉุดไม่เจริญเราก็ต้องคัดออก จริงๆแล้วนี่ผู้ที่ไม่เจริญหรือว่าผู้ที่เป็นปุถุชนจะจัดจ้ดจดจ า, นจานมารวมอยู่จริงๆก็พวกเรานี่นะเรามีกฎมีระเบียบเรามีแม้แต่จารีตประเพณีวัฒนธรรมอยู่ไม่ได้หรอกสมมุติง่ายๆมาอยู่กับพวกเราเนี่เรากินเจเงี้ยพวกนี้จัดจ้านอยู่อย่างนี้เป็นต้นมาอยู่ที่นี่จะไปกินไหวเหรอเจรประเดี๋ยวมันก็ไปแต่มันก็ไม่ได้กินมากโดยที่นี่มันกินเล่นกินหัวกันนะถ้าคืนว่าเราจะมาอยู่ในนี้เราเป็นคนกินหนัก ปรเดี๋ยวเราก็ปรเดี๋ยวก็เอามากินเดีวเอามากินแล้วเอามาปรุงเดีวก็มาชงนั่นนี๋ยก็มาต้มนี่หุงนี่เดี๋ยวก็โดนเขาล่อให้เท่านั้นเองอที่นี่เราไม่รู้จักอโศกซะแล้วเดี๋ยวก็เฉ่งง <c oughs> ่ายเท่า น, นั้นแหละ <c oughs> มันอยู่ไม่ได้หรอกมันมีภาวะที่จะกดดนันมีภาวะที่จะขัดเกลามีภาวะที่จะบีบคั้นกันเองเพราะฉะนั้นมวลมากๆเนี่ยถ้าเขาเองคนเดียวมาอย่างงี้นะโอ <c oughs> ้ยาก แต่เคยมีนะโอโหด้านจริงๆไล่ก็ไม่ไปแต่มาทำตรีๆของขวางอยู่ในหมู่นี่แหละมีด้านหนักจนกระทั่งต้องเล่นขอร้องตำรวจมาเอาไปก็ยังมีเคยมีเหมือนกันแต่นานๆทีจริงๆแล้วมันอยู่ไม่ได้หรอกจริงๆอยู่ไม่ได้เนี่มันเป็นสภาวะอย่างนี้เพราะันบุคคลสปาญาเสนาสนสปาญะหรืออาหารสปายะเครื่องอาศัยเครื่องกินเครื่องอยู่เครื่องใช้ก็ พออาศัยของเราไม่ได้ฟุ่มเฟือยไม่ได้ เ, เลอะเทอะเปลือกเปลือนสุรุยสุรายามีมากไปจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ยั่วยอมมอมเมาเกินการจัดสรรให้ดีๆเป็นสปายะซีอย่างดีๆจะพาเจริญสปายะก็คือพาเจริญสปายะพ า, พาเจริญ ซึ่เรามาใช้แปลงมาเป็นภาษาไทยว่าสบายทีนี้พอสบายกลายเป็นกิเลสสบายที่ยังมาจากสปายาภาษาบาลีแปลว่าเจริญมาเป็นตัวมันเป็นภาษาไทยสบายมันก็เลยกลายเป็นอบายมันก็กลายเป็นตัวบมเบรอตนนะุน่ะสุขายะอัตตานังปทาติไม่ใช่สุขสุขายะมยาจากยธาสุ ข, ข, งขัง ออ ย, ยถาสุ ข, ขังโคเมวิหารตโตกลายมาเป็นปล่อยตัวตามสบายแล้วก็เลยนึกว่าตัวเองสปา ย, ยะไม่ใช่มาแปลเป็นไทยว่าปล่อยตัวตามสบายในยถาสุขขังทําให้ตนเองไปตามสบายไม่ควบคุมคุมไม่สังวรระวังจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าเรือมันสั่งยังไงก็เอาอย่างงี้นะสบายดีอย่างเงี้ยพอใจยอย่างงี้ยนะอร่อยอร่อยดียังงี้ยนะเป็นสุข ซึ่งเป็นโลกียสุขเสพ อ, อยากกินอยากอยู่อยากพักอยากนอนอยากไปอยากมาอยาก น, น้นอยากนี่อะไรก็ทำบำเรลตัวเองไปตามปราษาถ้าไม่ดูอนาจารไม่ดูน่าเกลียดนะั้นก็ทำไปแต่ถ้าใครมัน อ, อนาจารก็ไม่กลัวหน้าด่านมันก็ทายิ่งเลอะยิ่งเทอะใหญ่เลย อ, อย่างนั้นก็มีได้ ถึงขนานั้นก็มีได้แต่ถึงไม่ขนาดนั้นก็ตามปล่อยตัวตามสบายก็ไม่อนาจารย์ไม่เลอะไม่เทอะอะไรนักแต่ก็สะสมอกุศลธรรมเจริญยิ่งนะสุขะสุขายะเอ่ยเมตยถาสุขังโคเมวิหรารโตนี่อกุศลธรรมเจริญยิ่งเพราะฉะนั้นธรรมมาของพระเจ้าเนี่ยถ้าไม่เข้าใจว่าต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากทุกขายะอัตตานังปฏิาติต้องตั้งตนอยู่บนความลำบาก ปฏิบัติธรรมต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากไม่ใช่ปล่อยตัวตามสบายถ้าปล่อยตัวตามสบายแล้วบำเรตอตนอคุโสละธรรมเจริญไม่มีทางบรรลุธรรมง่ายเพราะฉะนั้นจึงจะต้องเรียนรู้อาการเรียนรู้สภาพเรียนรู้รถเป็นธรรมรถอย่างไรหรือว่ารถอย่างไรเป็นโลกียรถแล้วเราก็สะสมแต่โลกีรถนี่ไปไม่รอดไปไม่ ต้องรู้จักธรรมรถอ๋ออย่างนี้เป็นรถแม้จะเป็นรถที่จะเหน็ดเหนื่อยอยังทุกยังลําบากแต่เราอ่านออกเนี่ขอลึกไปหน่อยนะใช้ภาษานักวิชาการไว้ธรรมวิชาการหน่อยเป็นลักษณะของทุกขที่เรียกว่าโทมนัทเนี่ยนะโทมานัทนี่เป็นทุกทางใจและทุกในในแล้วทุกลึกลึกแล้วทุกละเอียดขึ้นแล้วโทมนัทแต่มันก็ไม่ใช่ ทุกที่เราจะหนีแต่เราต้องอยู่โทมนัตอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่านี่แหละตั้งตนอยู่บนความลําบากก็คือลักษณะของเนคขมะโทมนัตเวทนาเพราะฉะนั้นอาการอย่างนี้เราเรียกว่าโอ้ดี่ความรู้สึกทุกเป็นโทมนัตความรู้สึกทุกที่เป็นลักษณะของเนคขมะเป็นลักษณะที่กําลังต่อสู้กําลังออกกําลัง ปฏิบัติอบรมฝึกฝนยังไม่บรรลุยังสู้อยู่อยู่ในสนามรบเนกขมะนิออกจากกิเลสกามออกจากกิเลสพยาบาทออกจากนิวรณ์หราแล้วสู้อยู่มันก็ต้องลำบากทุกอย่างนี้ไม่หนีแต่ถ้ามันหนักเกินไปเราก็ไม่ไหวก็ต้องแบ่งบ้างแต่ต้องสู้ ต้องมีทุกอย่างนี้เนคขมทมมณฑเวทนาผู้ใดตั้งตนอยู่บนความลำบากที่มีคุณลักษณะอ่านออกว่าเป็นเนคขมทมนัฑเวทนาใช้ได้แต่ถ้าเป็นเคหสิตะโทมมณฑเวทนาแล้วคุณก็ไปเข้าใจผิดเป็นเคหสิตะก็คือทุกอย่างชาวบ้านทุกอย่างชาวปุถุชนทุก โอมันอยากเสพมันก็อยากได้นั่นอยากมีนี่อยากเสพสุขทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจอยากได้วัตถุรูปอยากได้ลาบยศสันเสริญอยากได้อะไรก็แล้วแต่อยากได้แล้วมันทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยที่ไม่ได้สมใจนะียังไม่ได้สมใจมันทุกข์ทั้งนั้ น, นดีไม่ดีก็ต้องไปแย่งไปชิงเขาต้องเขาไปต่อสู้เขาหรือไม่ก็ต้องสร้างมาบ่มเรอตนสร้างขึ้นมาบ่มเรอตนจริงๆเลยนะทุก ทุกอย่างนั้นเป็นเคห ส, สิตะโทมนัสเวทนาอย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องรู้ละเอียดลงไปถึงเวทนาอย่างนี้วิเคราะห์ออกเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อเราบอกว่าทุกตั้งตอนอยู่บนความลำบากก็ใช้คำว่าทุกน่ะทุกขายะตั้งตอนอยู่บนความลำบากหรือตั้งตอนอยู่บนทุกทุกอย่างไรถ้าทุกอย่างนี้คำว่าโทมนัสเวทนาทุกอย่างนี้นี่แหละตั้งตอนอยู่บนทุกอย่างนี้ดีเนี่ยวิเคราะห์ให้ออก อ่านในออก เ, เกคหะสิตตะธมนัตกะเนคมาสิตตะธมนัตอาการทางจิตนี้เป็นเวทนาเป็นอย่างไรอาการเวทนาในเวทนาอย่างนี้นีเคราะห์ออกได้ไหมอย่างไรนี่มันละเอียดละอ้ อ, อยนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเผยว่าเราเองเราไม่เรียนรู้อย่างดีแล้วอ่านอาการที่บอกว่าอาการทุกข์คําเดียวกันหรือว่าโทมนัตเดียวกันแต่โทมนัตอย่างใดเป็นเคหะสิตะซึ่งไม่มีทางบรรลุ มีแต่ทางกิเลสจะหนาขึ้นเป็นปุตุชนถ้าเเคหสิตะโทมมณัตนะเดี๋ยวคุณก็หาทางบำเรอตนเดี๋ยวคุณก็สะ ส, สมให้กิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นแต่ถ้าเนคขมัสสิตะโทมมณัตแล้วคุณสู้สู้ ส, สแล้วมีแต่ละจางคลายละละจางคลายหนักเข้าก็โทมมัตก็เป็นสมมณัต ส, สมมณัตก็ยังเป็นอุปกิเลสเนคขมัสิตะสมมณัตก็ยังเป็นอุปกิเลสมันยังดียังดีใจยังฟูใจยังเป็นปิติปัสสธิ ไม่ใช่ปสัสสติเป็นปิติเป็นปราโมทนะเป็นโมทนาอะไรก็แล้วแต่ก็ยังต้องเรียนรู้อาการพวกนี้อีกนะแล้วต้องอย่าให้มันมีอาการกระเพื่อมแม้จะเป็นสมนัตจอนเหลืออุเบคาเนคขมัสิตะอุเบขาเวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขไม่สมนัตไม่โทมนัตินะ ในภาษาจำนวนของพระไตรปิฎกเขาจะบอกว่าละแม้อะไรเป็นอุเบกขาละไม่มีธมมณทสมมัทนั่นอะไรก่อนก่อนได้ละได้อะไรนี่จำนวนในพระไตรปิฎกเขาแปลมาอาตมาก็ไม่คอยจำช่างจํำจำนวนเขาเท่าไหร่เล่นแต่จำนวนตัวเองสะมากแต่เข้าใจอาตมาเข้าใจภาษาเขานะแล้วเอาอธิบายให้บวกคุณฟังได้นะ นั่นละไม่มีละธรรมละสุขละทุกแต่ก่อนได้มาเหลืออุเบกขาแม่อุเบกขาก็ยังเป็นอุปกิเลธ ถ, ถือว่าเป็นเราเป็นของเราไปถึงขนาดนั้นมีคุณลักษณะของอุเบกขาถึงคุณลักษณะ5บริสุทธิ์น่ะบริสุทธาบริสโตตาตามมุทุกกรรมัญญาปภัสราอะไรอย่างนี้ซึ่งอาตมาก็ยีบอธิบายมากมายให้พวกเราไปอานาการเหล่านั้นว่ามันถึงสภาพพวกนี้เนี่ยพิสูจน์ว่ามันอยู่ในขนาดไหนขนาดไหน เป็นเราเป็นของเราก็ยังมีตัวมีตนอยู่จิตวิญญาณนี้ก็ยังผูกพันแต่ถ้าเราดูว่านี่มันเป็นอารยวิญญาณเท่านั้นเป็นวิญญาณแค่อาศัยแล้วก็อาศัยทํางานใช้งานไปถ้าเราจะพากมันก็หมดก็จบมันตอนนี้จะพากกันอย่างเสด็จแล้วจะปรินิพานแล้วก็ไม่ต้องไปไม่มีแล้วอารยวิ ญ, ญญาณก็ไม่อะไรอะไรอะไรกันอีกแล้วไม่ต้องมาห่วงมาห่วงอะไรกันอีกแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ทั้งก็วางหมดอาระยะวิญญาณวิญญาณนั้นก็วิญญาณก็คือธาตุรู้ที่ก็แล้วไปสิมันหมดเหตุปัจจัยก็จบปริถิพานสิน้นเลิกทุกอย่างนี่วิายมาจนกระทั่งปริถิพานแล้วนะนี่พระอระหันต์เจ้าปริถิพานแล้ว ฟังเข้าใจมาตลอดแล้วก็พอจับความจับคําแม้จะใช้ภาษาวิชาการทางธรรมนะเป็นภาษาสําคัญสําคัญพวกนี้มาประกอบบ้างได้กันกี่คนเนี่ยฟังทะลุนะรู้แต่ว่ามันยากแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรรู้แต่ว่ามันยากเลยไม่รู้เรื่องว่าอะไร ถึงจะยากอย่างไรก็ต้องเป็นไปได้และคนนี่แหละเป็นไปได้เมื่อคืนนี้อาตมา ก, ก็ย้ำแล้วว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้โกหกเรานะพระพุทธเจ้าเนี่ยยืนยันว่าพระอระหันต์มีจริงกิเลสต่างๆกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยมีจริงแล้วมันก็หมดได้จริงเป็นพระอระหันต์ที่ปราศจากกิเลสอุปกิเลสสิ้นสนิทหมดความเป็นตัวตนอัตภาพหมดตัวของกูตัวกูของกูได้อย่างแท้จริง มีจริงถ้าไม่จริงก็พระพุทธเจ้าโกหกเราใช่ไหมถ้าคุณว่าพระพุทธเจ้าโกหกก็เลิกนับถือได้แล้วอัตมาไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าโกหกจึงพิสูจน์พิสูจน์แล้วเมื่อเราได้ของจริงอันนั้นเราจึงรู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าไม่ได้โกหกหรอกยากเรารู้ว่ายากจริงเอามาพูดให้ฟังยังยากเลย อาตมาพยายามพูดให้คุณฟังนี่ไม่ไม่ใช่อาตมาเอามาพูดให้ได้ง่ายๆนะยากนะเพราะฉะนั้นอาตมาเชื่อว่าคุณฟังอะยากก็ะมาเชื่อเพราะแม้แต่อาตมาเอามาออกมาพูดให้เป็นภาษา้ง่ายๆให้ฟังนี่ก็ยังยากเลยแล้วยังรู้สึกอยู่เลยว่ามันน่าจะพูดให้ฟังให้ได้ง่ายกว่านี้เข้าใจดีกว่านี้ได้อีกก็พยายามอยู่ที่จะมีศิลปวิทยาในการที่จะถ่ายทอดสื่อออกมาให้ได้ดีกว่านี้ ตั้งเฉยเฉไม่ได้ต้องมีฐานรับฐานเราหนาเปอะเลยฟังธรรมมะละเอียดมาไงเอาแหมธรรมมะนี่นมคมชัดแหมยังกับมีดโกนชั้นหนึ่งฟันเข้าไปถูกไอ้ไอ้แท่นทั้งคีเธอนีอ่ไอ้มีดโกนพังหมดแท่นยังอยู่คุณต้องมีฐานรับของคุณที่จะบางพอบางพอที่จะโอ้ยขนาดนี้มีดโกนฟันชับขาดคุณฐานนั้นเหมาะกันขาดได้ เพาคุณตั้งใจมาเอาจะฟังๆนี่จะบรรลุแล้วก็ฐานขี้เถออ ย, อย่างก่ามาเมื่อไรก็เมื่อนนั้นก็อยู่อย่างเก่ามีดกนหักหมดทุกดำไม่เหลือเข้าใจไหมเพราะงั้นเราจะไปหวังแต่ว่าเราอยากจะได้ฟังธรรมนี่บรรลุจะฟังธรรมบรรลุก็ต่อเมื่อฐานของเรานี่พอจะรองรับอ้ฟังอันนี้แล้วเนี่ยเกิดปัญญาวิมุตต์แล้วเจโตหรือว่าจิตของเราก็มีกิเลสพอเหมาะพอสมที่ใช้พลังของปัญญานี้เท่านั้น ขันขาดดับได้ถ้าไม่เหมาะกันคุณยังหนาเปลอะอยู่อย่างนั้นเนี่ยต่อให้ปัญญาในระดับคมยิ่งกว่าอาบน้ำผึ้งมีโกนหักบูบีหมดไม่มีทางพังไม่มีทางตัดขาดได้ชัน้นใดก็ชั้นนั้นนะอาราตะมาได้พยายามา ว, วิเคราะห์วิจัย วันนี้ก็ตั้งใจอธิบายทำที่เป็นปรมัจา์อะไรต่ออะไรให้ฟังบ้างนะฟังด้วยดีก็ได้ปัญญานะสุดสูสั่งละพเตปัญญงยังเหลือแต่เอาไปปฏิบัติฟังได้ดีระยะช้าทุกวันนี้โลกต้องการคนมีธรรมะบ้างแก้ปัญหาไม่ตกทุกวันนี้เพราะคนเห็นแก่ตัวจัดจ้านกิเลสหนามีพวกมากผู้ที่มาทางธรรมสละเสียสละน้อยพวกน้อยหมูน้อย แล้วริดแรงความดูดดึงความมีริดเดตที่จะทำให้สิ่งที่มันต่อสู้กันเป็นธรรมะธรรมะสงครามเพราะยังคณะธรรมะจริงๆกับคณะอัธรรมนีมมมมม่มัน ม, มันสู้กันแรงเหลือเกินถ้าเผื่อว่าเราไม่อุตสาหะไม่ใช่ความอดทนไม่ใช่ความภาคเพียรอย่างจริง จ, งจังแล้วแล้วก็มันไม่ได้ไม่ได้จริงๆ ขายืนยันยิ่งยุคการสมัยนี้มันยิ่งมันจะเข้าไปหากลียุคอยู่แล้วไม่ต้องไปบรรยายก็รู้อยู่เพราะคุณก็รู้อยู่เพราะฉะนั้นก็เอาเถอะอย่างน้อยก็เป็นประโยชน์คุณทําได้แล้วคุณก็ได้ก่อนเขา่ใช่ไหมคุณทําได้แล้วคุณก็ได้ก่อนเขาแล้วมันจึงจะเป็นหมู่เป็นมวลแล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อๆต่อๆไปอีกเราได้เราก็ได้ก่อนเขาเพราะเราอุตสาหะวิริยะเนี่ไม่ใช่ว่าเราไปทําประโยชน์คนอื up, us, ่นก่อนหรอก ถ้าเราไม่ทําประโยชน์คนอื่นก่อนพระเจ้าท่านได้เตือนไว้ว่าอย่าพราดประโยชน์ตนแม้ประโยชน์ผู้อื่นนะอย่าพราดประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม่มากอย่าไปพราดประโยชน์ตนเพราะฉะพยายามภาคเพียรแล้วอย่าไปอธิบายเอยไปเข้าใจผิดแล้วว่าไม่พราดประโยชน์ตนเพราะผู้อื่นเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม่มากก็เลยเอาแต่ตัวแบบฤษีเลยพิบผัดไปปฏิบัติผิดทางผิดมักสมาเริยมัก มันก็เลยเลยเถิดค่อนไปในทางที่มีแต่ตัวกูของกูแล้วก็เลยไม่มีองค์ประกอบที่ได้สัสดส่วนที่ดีเมื่อไม่ได้สัสดส่วนที่ดีก็ไม่บรรลุมัชฌิมาคํานี้จึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆความพอเหมาะพอดีความเป็นกลางความพอเหมาะพอดีนี้ไม่ใช่เรื่องตื้นเขินเพราะต้องประมาณให้ดูมีสัสดส่วนมีกรรมมีกิริยารู้จักอตกกุตุรู้จักพีชะรู้จักจิตรู้จักกรรมรู้จักธรรมะ ให้ได้สัดส่วนดีๆร้านถ้าเผื่อว่าเราอยู่กับหมู่หมู่ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงบ้างต่างคนต่างช่วยกัน amber, มันมันมันปรับตัวจัดนิดจัดหน่อยกระทุ้งหน่อยก็แทกอะไรนั่นเออหนีมากไปนี่น้อยไปเขาจะเขาก็แทกกับเองเดี๋ยวเข้าที่อ่ะแต่ถ้าไม่มีมิตรดีสหายดีนะไม่รู้เรื่องอเอียงไปตามเรายิ่งน้ำหนักของเราเป็นหลักเราไม่ใช่เป็นผู้รู้ก่อนทีเดียวหมู่ฝูงหลายภูมหนะิหลายฐานะหลายความรู้ เฉลียวฉลาคนละมุมคนละเหลี่ยมจะช่วยปรับพระพุทธเจ้าทุกได้ยืนยันว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพุทธมจรรย์นะเพรา ะ, ะมันจะช่วยกันในในทีม่วมีความปรารถนาดีด้วยกันแล้วมันก็จะช่วยกันไปในทีจริงๆนะาคนจะไปปลีกเดียวไปอยู่แต่เดียวเดียวแล้วแปลพระไตปิฎกนี่อะไรก็เพราะเอโ ก, เอ ก, กเอกักเอกัสะอะไรก็หล่อเดียวเดียวยวแปลกันเพราะความ เข้าใจโน้มเอ็นไปในทางฤาษีเพราะแม้แต่แปลในเทรวาวะเนี่ยมันเอียงไปมากแล้วในปัตติปิฎกนี่มาแปล ร, รุ่นหลังๆเนี่ยพราะอัตถกาถาจารย์ที่เข้าใจเพี้ยนมันก็เพี้ยนมาอย่างนี้ก็เลย อ, า, อาศัยอัตถกาถาจารย์ที่เริ่มเพี้ยนกับเพี้ยนการส่งไปเรื่อยๆเพราะมันเอ็นไปทางฤาษีเทรวาวะเนี่ยจะเอ็นไปทางฤาษีส่วนอาจาริยวา่าหรือมหายานเอ็นไปในทางชาวชาวโลกโลกชาวโลกนะเอ็นไปทาง ทาบ้านทางเมืองหนักเข้าก็นเลอะใหญ่เลอะยิ่งกว่าด้วยไปทางฤาษีนี่ก็ยังไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครแต่เป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองจมจมมากนะจมมากนะเทราวาสส่วนอาจาริยว่าเนี่ยฟูมากโอ้ท่วมบ้านท่วมเมืองท่วมโลกมันคนละทิศเท่านั้นเองเอาละสหรับวันนี้ก็ขอจบกันดื้อแค่นี้ก็แล้วกัน